พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าทำบุญแด่ผู้มีพระคุณ วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันเสาร์พระในวัดของเราทั้งหมดมีอยู่32รูปแต่วันนี้มีการนัดประชุมที่วัดของเรามีการประชุมมูลนิธิมูลนิธิวิริยะณศีลวันจัด ทำซีดีชุดนี้เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่ใฝ่ในธรรมทั้งหลายคือมูลนิธิท่านองค์ขบวนตรีท่านดรชาวท่านได้ปรรพกับคณะกรรมการมีหลวงพ่อร่วมด้วยท่านบอกว่าท่านจะส่งเสริมพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมะ เพราะท่านฝ่ใในธรรมฝ่ในธรรมใฝในการกุศลท่านบอกว่าท่านจะตั้งเป็นหมนิธิวิริยะคือคุณพ่อของท่านาตั้งเป็นชื่อคุณพ่อของท่านวิริยะนศิลวันนามสกุลณศิลวัน ท่านก็มีลูกชายอยู่คนเดียวก็คือทั้งอท่านองค์ขมนตรีท่านองค์ขอนตรีก็มีลูกชายคนเดียวก็คือคุณคุณชัยแต่คุณพ่อท่านบัดอยากจะตั้งเป็นหมู่นิธิบำรุงพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมะธรรมะนะั่นคือทัานเน้นอีกท่านเน้นธรรมะอีกนะั่นสี่องค์นะไม่ใช่ธรรมะทั่วๆไป คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะั้นเป็นหลักใหญ่ละแต่ว่าท่านเน้นเกี่ยวกับธรรมะที่จะออกเดอคือธรรมะหลวงปู่มั่นธรรมะหลวงปู่ขาวลมะธรรมะของหลวงตามหาบัวธรรมะหลวงปู่ชาจนะเป็นหนังสือธรรมะทำคําสอนทั้ง3ามี่ห้าท่านพร้อมกับพระพุทธเจ้านะ ท่านก็อยากจะให้เน้นแนวทำคำสอนพอท่านได้อ่านท่านได้อ่านได้ศึกษาดูแล้วว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งไปตามแนวแถวของการประพฤติปฏิบัติสัมผัสได้ในในด้านการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึงท่านตั้งวุนิธิึ้นมาเพื่อสนับส น, นุน ในทาคำสอนแต่ก็มีผู้ถามเหมือนกันนะถามท่านว่าเอา้าทามัทธนาหรือว่าทําของหลวงพ่ออินล่ะท่านก็บอกอืออันนั้นอยู่ในอัวอยู่แล้วเอาทําได้เลยจากนั้นเราก็ได้ทาสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งหลังย่อมย่อมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่เราทําขึ้นมาเพื่อจะเก็บพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นตลอดถึงพระธรรมคําสอนเราจะจับเก็บเป็นลักษณะลักษณะฮาร์ดดิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นหนักเรื่องธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเพราะว่าธรรมเทศนาของหลวงตานี่มีมากมีมากที่เดียวเก็บเป็นฮาร์ดดิส ทั้งหมดเป็นมีเป็นทั้ง40กว่าก้อนอและกรรมเทศนาขององค์หลวงตาเนี่ยก็หมื่นที่รวบรวมได้ขณะนี้ก็หมื่ น, น, น, น 2,000 กว่ากัน 2,000 กว่าการเทศแล้วก็จำนวนที่เป็นธรรมเทศนาพร้อมกับวิดีโอที่ไปเทศนาในช่วงในช่วงประเทศในสถานที่ต่างๆ ช่วงที่หาทองคําเข้าคลังหลวงอันนั้นเอกส่วนหนึ่งอันนั้น40สกว่าก้อนอันนั้นใช้ทั้งภาพใช้ทั้งเสียงเสียงนั้นได้ย า, ยาวยาวกว่ามากกว่าเพราะนั้นเราเห็นว่าหลวงตาคงยังไม่กลับมาแสดงธรรมไม่กลับลงมาเทศอีกแล้วท่านจ ต, ตินิพพานไปแล้วมีแต่ธรรมที่ท่านพูดยังไงเป็นธรรมคาสอน เราก็ควรจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ในการกุศลผู้มีบุญบารมีที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าเราก็เตรียมเอาไว้ถ้าผู้มีอุปนิสัยจะได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ในเมื่อประพุธปฏิบัติแล้วก็จะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปนานเท่านานยาวนานเพราะฉะนั้นเราเห็นคุณค่าในพระธรรมคําสอนของหลวงตาเพราะหลวงตาในท่านท่านได้ทั้งปริยัติคือท่านได้เป็นถึงมหาทั้งบาลีทั้งศัพท์ต่างๆท่านได้ค้นคว้าศึกษามามากแต่ฝ่ายปฏิบัติ ท่านก็ได้มาอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ลงมือปฏิบัติที่ท่านได้ปรยัติมาแล้วนั้นปริยัติปฏิบัติจากนั้นท่านก็ได้ปฏิเวทก็คือได้สำเร็จมรรคผลเป็นที่พึงพอใจท่านก็บอกชัดเจบอกชัดเจนว่าท่านได้สำเร็จมรรคผลยังไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รูร้ได้ทราบนะสรุปแล้วก็คือหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านได้ทั้งปรยัติ คือการเล่าเรียนศึกษาของท่านได้รู้เรื่องอรอบรู้ในเรื่องปริยัติพอสมควรจะไม่ถึงปท .9 ก็เถอะได้ปท .3 นี่ก็แปลว่ า, าหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ทว่านักธรรมเอกในจบแล้วนักธรรมแต่มหาเพีย น, นันคล้ายๆว่าเรียนเป็นบาลีสับ มัพอ์ต่างๆให้ชัดเจนให้กว้างขวางอันนั้นคือมหามหาป ร, ร่ยนแต่องค์หลวงตาทั้งก็ได้ทั้งนักธรรมแล้วก็มหาปี่ยนสรุปแล้วก็คือปริยัตของท่านเพียงพอเพียงแค่นี้เพียงพอปริยัตจากนั้นท่านมาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นก็เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราในยุคปัจจุบันท่านก็ปัก การบอกตัว อ, ออกบอกแนะนำตัวของท่านอีกอในทั้งประยัตปฏิบัติของท่านก็ได้ปฏิเวทของท่านก็ได้เพราะนั้นทำคำสอนขององหลวงตาที่ท่านเทศนาว่าการหรือทำมาลคขิตของท่านาจะเป็นประวัติหลงปูเสาะประวัติหลงปูมั่นประวัติหลงปูมั่นปฏิปาทาพระธโงกรรมฐาน และหนังสือต่างๆที่เป็นธรรมะลิกิตของหลวงตาอันนั้นก็เป็นตัวหนังสือออกมาแล้วแต่ว่าที่ยังไม่ได้เป็นตัวหนังสือเนะี่ยเป็นธรรมเทศนาอันนี้ก็มีมากที่ยังไม่ได้พิมพ์เพราะฉะนั้นจะเก็บรวบรวมจํานวนนี้ไว้ให้มากที่สุดนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราจะได้ไประชุมในวันนี้เกี่ยวกับจะรวบรวม เก็บยังไงจึงจะให้ในดานที่สุดแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเองก็ได้ให้ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้รวมกันได้เตรียมพวกนี่แหละัต ด, ดิสอัดไว้แล้วนะปิดต่อจะหาที่เก็บจากนั้นเราจะได้ไประชุมกันว่าเราจะดำเนินการยังไง จะถอดให้เป็นตัวหนังสือให้มากที่สุดอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหละคือธรรมเทศนาขององค์หลวงตาจะให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ใฝ่ในการใฝ่ในธรรมะคือในยุคปัจจุบันนี้คนนี่แหละมองไม่เห็นองค์ไหนที่จะยิ่งไปกว่าองค์หลวงตาในความรู้สึกของหลวงพ่อนะ ถามว่าพวกเราผู้ใดก็ตามผู้ใดใครก็ตามนะ่ะอที่หลวงพ่อพูดไปนิดอเวอร์ไปหรือเปล่ายกย่องเชิดชูบูชาอในครูบาอาจารย์ของตนเองมากไปหรือเปล่าก็ให้พวกท่านได้ศึกษาดูนะศึกษาดูให้ทีทวดยังค่อยมาตำหนิกันแต่หลวงพ่อเนี่ยได้ศึกษาดูแล้วหลวงพ่อเนี่ยมั่นใจว่าทำคําสอนขององค์หลวงตาเนี่ยเป็นธรรมที่ นำมาประพฤติปฏิบัติได้เลยท่านแนะนำสั่งสอนอยังไงเป็นรู ป, ปรธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติได้สำหรับแนวแถวของทมคำสอนของหลวงตานะวันนี้พวกเราจะได้ไประชุมกันทั้งรวมกันแล้วมีส5ท่านนะเพราะเป็นตั้งเป็นมูลนิธินะมีประธานมีรองประธานมีเล ข, ขา มีอะไรทุกอย่างให้พร้อมเหมือนกับบริหารถูกต้องตามกฎหมายของโมนิธิแต่ทางนี้ทางนั้น เ, เราก็ไม่ได้แ ส, สวงห า, าผลกำไรอะไรมีแต่ว่ามาบริหารถือว่าผู้มิศธาที่จะมาร่วมที่จะมาเห็นว่าการประกาศเผยแผ่ธรรมะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่ขาวหลวงปู่ช า, เ, าเรยกว่าจะเกิดประโยชน์ ส่วนอื่นที่เราจะแปล ى, หรือเราจะถอดออกมากจากเทบจะต้องได้ใช้จตุปจัจใจพอสมควรแล้วก็คงจะพิมพ์เป็นหนังสือออกมาให้พวกพี่น้องประชาชนได้ศึกษาถ้าใครเห็นด้วยเห็นคุณประโยชน์ที่จะอยากจะได้บุญในจุดนี้เราก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันเพราะมูลนิธิของเราก็รองรับอยู่แล้วนะแต่เราทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ได้แผ่ไม่ได้ขอ ไม่ได้ขอร้องไม่ได้เรียกอะไร้ามบูมีศรัทธาเห็นด้วยอยากจะได้บุญเอาเราก็เย็นดีเอามาร่วมเข้าในมูลนิธิจุดนี้ได้อันนี้ก็คือมูลนิธิที่เราจะได้ไปชุมบริหารต่อไปแต่ก็มีหนังสือออกมานะอันนี้ก็ที่หลวงพ่อยื่นให้ดูนะกนคืเนะีออกมาแล้วเป็นเอ3มพสามของหลวงตา ชุดหลักใจแผ่นที่ห้าและก็แผ่นที่หแล้วก็ชุดเตรียมพร้อมอีกที่เราเป็นทำเป็นหนังสือแต่ผู้ได้ฟังดูแล้วชุดหลักใจกับชุดเตรียมเตรียมพร้อมเนี่ยธรรมะสองชุดนี่เป็นชุดที่ฟังฟังดูแล้วมันเข้ากฎเกณฑ์หลักใจคืออะไรคนที่หลักลอยใจที่ไม่มีหลัก เลื่อนเลอนลอยลอยเป็นยังไงค า, าว่าเตรียมพร้อมคํานี้คืออะไรอชีวิตของพวกเราจะอยู่ด้วยความประมาทได้อย่างไรต้องเตรียมพร้อม เ, อเหมือนกับอริจัตรโที่จะเข้ามาคือมรณะภัยที่จะเข้ามาหาตัวเองอยู่แล้วเป็นนอนชราใจอยู่ได้อย่างไรต้องเตรียมพร้อมนี่แหละเตรียมพร้อมคํำนี้แหะต้องอ่านต้องศึกษาต้องฟังโดยที่ว่าดวงดวงตาให้เตรียมพร้อมอย่างไร ในการเตรียมพร้อมของท่านนะแล้วก็วันเมื่อวานนี้หลวงพ่อเองได้ประกาศคณะสัตยาติโยมในวัดของหลวงพ่อบอกว่าวันที่สามวันที่สี่เป็นวันมาคะบูชาวันที่สามเป็นวันปงผมและเป็นวันโกนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะให คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ปฏิสถานพระพุท ธ, ธ, ธอุดมมงคลสององค์ Obrig <c> <Sir. S 2> ที่อยู่ทั้งขวามือขวงหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระประธานเนี่ยเราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้พระธาตุมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสมเด็จพระสังฆราชพระยาณสังบรที่ท่านาที่ได้เก็บไว้เราก็ได้มาบรรจุ บนพระเศียรพระประธานก็พร้อมกันเราก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลประกาศว่าเราจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลผู้มีอุปกระคุณของวัดพร้อมกันในคราวนี้เมื่อปีที่แล้วนะแต่ปีนี้เราก็คิดว่าควรจะมีปีละครั้งแต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ยกประเด็นหลักก็คือคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํา ที่ทันมรณภาพเราก็ถึงวันข้อพรอเราก็ทําบุญอแล้วก็ทําบุญถึงผู้มีอุปกรณคุณของวัดด้วยแต่ยกคุณแม่เป็นหลักแต่บัดนี้คุณแม่ก็เรายกไปที่บ้านห้วยทรายมุกดาหารแล้วหลายปีแล้วเราก็งดเราไปทําที่นู่นแต่ถึงยังไงวัดของเราก็คือวัดของเราก็ควรจะมีการทําบุญขึ้น อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณที่หลวงพ่อรูร้ๆอยู่เนี่ยตั้งแต่เราสร้างวัดมาตั้งแต่ปีส3นะจนถึงปี 5-8 ปีนี่นเวลา30บกว่าปีนับข้อมือดูแล้วผู้ที่โร่งรอยไปตามอายุสังขารอายุามากก็ธรรมดาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อพวกเราอยู่เบื้องหลัง เราก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปีนึงน่าจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปีนี้หลวงพ่อได้กําหนดวันที่สวันที่สแล้วก็วันที่สี่เป็นวันถวายพัตทหารพระสงฆ์แล้วเป็นทำบุญตรงกับวันมาฆะด้วยวันที่สวันที่สี่วันที่สามน่าจะมีสวดมนต์เย็นที่วัดของเราแล้วก็วันที่สถวายพัตทหาร แล้วก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้ใดก็าตามเมื่อได้ทราบนะอยากจะมาร่วมทําบุญอุทิส่วนกุศลถึงญาติพี่น้องของตนเองก็มาได้มาร่วมได้อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็จะได้บอกญาติพี่น้องของหลวงพ่อเหมือนกันอย่างโยมพ่อของหลวงพ่อโยมแม่โยมพี่ที่ล้มหายตายจากไปก็หลวงพ่อก็จะประมวลมาทําบุญใน วันที่สามที่สีเนี่ยแหละามาอาบอกญาติติโกโหติกาเออมาร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนะเออหลวงพ่อจะไดบบอกทางญาติของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะหลวงพ่อก็มีญาติเหมือนกันนะอไม่ใช่จะมีแต่ญาติพี่น้องของศรัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อโยมพ่อหลวงพ่อก็จากไปโยมแม่ก็จากไป พ, พี่เออก็จากไปหลายคนอ เพราะนั้นหลวงพ่อก็จะได้ประมวลมาทำบุญฤทธิ์ส่วนกุศลถวายพัฒหารพระสงฆ์กล่าวคำถวายเสร็จแล้วจะตุปใจทางว่ามันได้มาเป็นก้อนหลวงพ่อก็ยังคิดอีกว่าให้ดวงวิญญาณเท่าท่านเหล่านั้นร่วมอุโมทนาเราจะเก็บจะตุปใจในการทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ที่มันเหลือถวายพระสงฆ์เราก็จะมอบให้ สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาต่อไปเพราะว่าเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยอย่างไงก็ต้องสร้างแน่ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นพวกเราที่หลวงพ่อได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่า เ, เราเกลับวัดของเราวัดปา่านาคําน้อยของเราหลวงพ่อเป็นหัวหน้าเนี่ ย, ยกับคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อเป็นหัวหน้านรับ หาทุนเพื่อสร้างเจดีย์พิ พ, ธพิธภัณฑ์เป็นอามิจูบูชาพระองค์หลวงตาเนี่ยห้ล้านบาทนะีประกาศในวันวางศิลนระลึกนะวันนั้นการทุนก็หม่อมแล้วกัมีผู้ว่าราชการจังหวัดหวัวหน้าสวงราชการพาสงฆ์ต่างหายร้อยรูปนะหลวงพ่อประกาศในที่สาธารณะเลยเลยนะแต่หลวงพ่อก็ยังยืนหยัดอยู่อย่างเก่าจึงไงเจดีย์พิ พ, ธพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ย เราต้องหาทุนสมทบให้ได้50ล้านบาทเพื่อเป็นอามิจจบูชาเพราะหลวงตามาช่วยวัดของเราในเท่าไหร่กำแพงยาวเท่าไหร่และเรื่องในวัดของเรามีมากมายที่หลวงตามาเรื่องธรร ม, มะนา ม, มธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงขนาดอามิจจบูชาเท่านี้ก็มากมายอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อหลวงตาจุตินิรพานไปพวกเราในฐานะสิทธญาณุสิทธ์ทั้งหลาย พวกเราก็ควรจะมีอาบิจบูชาเพื่อสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาแต่ถึงยังไงพวกเราเมื่อกระถินปีที่แล้วนี้พวกเราก็ได้มาประมาณเจล้านกว่าแต่รวบรวมกันทั้งหมดก็ประมาณสิบกว่าล้านาที่เราเก็บสงบนิ่งอยู่ในบัญชีแล้วนะแล้วก็เมื่อ ทูนกระหม่อมาหญิงท่านเสด็จมาที่วัดของเราก่อนหน้านี้นะนเราคุณปอปอเพจัต ท, ที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อในขณะนี้เนะี่ยก็ได้นำจะถุกปัจจัยเป็นเช็คเข้าไปถวายองค์ท่านสองล้านบาทในวันนั้นแล้วก็เมื่อถาวายสองล้านบาทแปลว่าเงิน50ล้านบาทของหลวงพอ่อลดลงไม่ใช่หร อ, อยังเหลืออยู่48ล้านนะ แต่เราก็ยังจะถูกปัจจัยที่เข้ามาอีกอจํานวนนี้อีกอที่งานกระถิน เ, เจ็ดล้านารวมกันแล้วก็สิบกว่าล้านเพราะนั้นพวกเราก็ค่อยๆระดมไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดให้ฟังเนะี่ยทุกคนไม่ต้องหนักใจอย่างที่หลวงพ่อประกาศเมื่อวานะอย่าไปนหนักใจนะไปเรื่อยๆ ถึงคราวมันถึงคราวจบมันก็จจบเองคิดว่าหลวงพ่อมั่นใจถึงขนาดนั้นนะเกินร้อ ย, อยงนั้นนะที่การสร้างประเจดีขององค์หลวงตาเนี่ยะอันนี้ก็คือการทำบุญที่พวกเราจะทำบุญวันที่วันที่สามสวดมนต์เย็นวันที่สี่ถวายพระตาหารพระสงฆ์อุทิศวุกุศลต่อผู้มีอุปกรณของวัดเรา ตรงกับวันมาฆบูชาแต่วันนี้เป็นวันที่21แล้วนะลูกหลานนะแต่วันที่21อแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าวัน10กว่าวันคิดว่าทุกอย่างเขาคงจะเรียบร้อยเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเราไม่ใช่จะทำบุญแต่เฉพาะผู้มีอุปกรคุณเท่านั้นนะทำบุญกับนั่นเนะทพเจ้าเหล่าเทวาลุกขภูมิทะเทวดา ตลอดถึงพวกวิญญาณผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราเออจะเป็นวิญญาณไหนก็ตามเลื่อนลอยแต่มีสิทธิ์ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้พวกเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณออตลอดออสมัยก่อน อ, อำเภอนายูงน้ําสมในละแวกนีนะ้มีการสู้ศึกสงคราม พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจกันในระบบลัทธิลัทธิคอมมวนิสต์คอมมวนิสต์สมัยนั้น่ะเออล้มหายตายจากแถนทินนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะนั้นเราทําบุญคราวนี้ะเราอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดถ้าดวงวิญญาณใดก็ตามที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ออย่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันดวงวิญญาณใดก็ตามให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้า จะได้ทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้โดยทั่วถึงกันนะเราคิดให้กว้างขวางถึงขนาดนั้นแหละเพราะนั้นขอพี่น้องประชาชนผู้ที่มาเกี่ยวผู้ที่จะมาร่วมก็มาได้นะถ้าไม่มีถ้าติดธุระไม่มาก็ไม่ว่ากันเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีการบังคับกันอยู่แล้วคือเห็นด้วยเป็นประโยชน์เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวไม่ใช่มีทุกวันะปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวเราทำอันนี้เคยมีไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยมีไหมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงตามหาบัวโยมมานดาของท่านในมรณาภาพลงไปหลวงตาท่านก็นทาบุญลําลึกถึงวันมรณะภาพของโยมมานดา ต่อมาท่านก็เลยประกาศเลยบอกว่าทําบุญเปิดโลกธาตุก็ท่านก็ยกประเด็นหลักก็คือวันมรณภาพของโยมมันดาของท่าน เ, าเป็นวันทําบุญอุทิส่วนกุศลต่อระหว่าทําบุญเปิดโลกธาตุเป็นว่าวิญญาณไหนดวงไหนละ่ะผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลก็มาได้อ น, นี้แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวที่องค์หลวงตาพาพวกเราคิด พวกเราคนดูแลกดหลวงพ่อเองก็เห็นด้วยนะ เ, เห็นด้วยที่องค์หลวงตาที่ท่านพาดำเนินเพราะนั้นเราจึงได้นำมาแนวความคิดของหลวงตานะัา่นน่ะนำมา ป, ปฏิบัติในวัดของเราเราวัดของเราควรจะมีการาทำบุญปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งผู้ที่มาเสียสละทั้งทุนนะพรัผู้ใดมาในวัดก็ดีผู้สรงจตุปัจจัยมาก็ดีโอนปัจจัยมาก็ดี มากมายท่านเหล่านั้นก็ได้ล่ว ง, วงรับดับขันไปก็มีแล้วก็มายังมีชีวิตอยู่ก็มีแล้วก็ได้ให้ความคิดก็มีเอากาลังมาช่วยแบกไม้ขนหินขนปูนก็มีที่ล้มหายตายจากไปเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายด้วยผลงานของท่านเหล่านั้น เมื่อท่านเราดันล่วงลับไปแล้วพวกไปรวยไปที่ไหนอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อท่านผู้ใดก็ตามล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาให้ลำ้ลำลึกถึงพระคุณของผู้ที่ล่วงลับไปอย่างคนจีนเขาคงลักษณะไหว้เจ้าลักษณะอย่างนั้นหละทำไหว้เจ้า เอก็คือไหววิญญาณที่มองไม่เห็นแต่พุทธศาสนาของเรากันเนี่ยอุทิศ ส, สวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คือทําดีพวกเราทําดีเสร็จแล้วอุทิศ ส, สวนกุศลให้ผู้ดวงวิญญาณอแต่ดวงวิญญาณเขาไม่ชอบนะใครทําชั่วแล้วเอาความชั่วไปให้เขาเขาไม่เอานะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทําดีซะก่อนไหวพระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลภาวนา สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ช่วยชุมชนสังคมเป็นความดีแล้วจะน้อมบุทิดความดีของเราให้กับดวงวิญญาณหรือวให้ผู้มีอุปกรณคุณเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับดวงวิญญาณเหล่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกค น, นเมื่อใดทราบข่าวยินเสียงของหลวงพ่อเนี่ยก็ใครจะมาร่วมทาบุญในวันนั้น ก็มาได้หรือจะมาตั้งโรงทานในวัดของเราก็ได้เ้วก็ถ้าไม่มาก็ได้ได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ที่ยังไงควรจะมีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนันเนี้นะ